ฉันธรมยังภารสุทธาทาโยฐนามาเสนอาระ า, าเวปัญจันตางันตังอาเป็นของนักเม่ออาระฮะโรยจักรุขโรักรุคนแหละเป็นผู้แบกของนักพาไป หนัเป็นความทุกข์ในโลกอารังมิเชิญพลังทุกข์ทางการตลาดของหนักจึงลงเสียเป็นความทุกข์มีเอเบสเจาวางพาลงพรางสหะริยเจ้าตลาดจึงของหนักลงเสียแล้วการยังปารังอนาจิยา ทำใิ้ช่วยเอาขอามหนักทันดึงขึ้นมาอีกสากมลางกาหน้นาผู้รากสอเป็ผนผู้สอนสันหาขึ้นได้ระทับละมีาติทุกปิไมุ่โต้เป็ผนผู้มุสัตว์สัตน่าดาสัตไม่มีส่วนรู้